คำว่าบูชาบารมีสามสิบทัศ ฐานปารมีสัมปันโนทานอุปปารมีสัมปันโนทานปารมาธาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภคะวศีลาปารมี สัมปันโนเีลอุปปารมีสัมปันโนเีลปรมาตตปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภคะวัเนธคามปารมีสัมปันโนเนธคามาอุปป ปารมีสัมปันโนเนคัมปะรมาถะปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีการุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควะปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโนปัญ ญาปรมาตถะปรามีสัมปันโนเมตตาไมตรีการุณาโมทิตาอุเบกขาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาวิริยาปรมีสัมปันโนเวริยาอุปาปรมีสัมปันโนเวริยาปรมาตถะปรามีสัมปันโน เมตตาไมตรีกรุณามมทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสปะคะวาขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปปารมีสัมปันโนขันติปารมาตตปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามมทิตา อุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภคะวาสัจจะปารมีสัมปันโนสัจจะอุปปารมีสัมปันโนสัจจะปรมาทถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิ โสภะวะอธิธานาปรมีสัมปันโนอธิธานาอุปปารมีสัมปันโนอธิธานปรมาทตารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมติตาอุเบกขาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะวาเมตตาปะ ปรมีสัมปันโนเมตตาอุปปารมิสัมปันโนเมตตาปรมัตถาปรมีสัมปันโนเมตตาไมตริกรุนนามุติตาอุเบกขาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอุเบกขาปรมีสัมปันโนอุเบกขา อุปปารมีสัมปันโนอุเบคาป a r a m a t t h รมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบคารมีสัมปันโนอิติปิโสภะขวานทัศรามีสัมปันโนทัศโุปปารมีสัมปันโนทัศปรมา m a t ปารมีสัมปันโนเมตตาไมาตรีกรุณาโมจิตตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควะพุทธังสารนังคตชามิธรมมสารนังคตชามิสังฆสารนังคตชามินับมามิหัง